พรมก็อาราธนาตรงประเด็นเมื่อกี้นี่เยเรียกว่าเท้าค ว, วาวมาที่พระองค์คิดอ่ะถูกต้องแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็จะ ก, กระทำโดยที่จะให้พิสูน์ทั้งหลายกลับมายัางพระนครพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงพระปาฏิโมกโดยล่วงไปหปีโดยล่วงไป6ปีอั้นภาระที่จะให้พระพิสูจน์มาประชุมกันทุก6ปี เดี๋ยวข้าพระองค์ขอรับเป็นภาระอย่างั้นดูแลนะจัดการให้พระมาประชุมกันทุก6กปีนะ โ, โถ้าพรหมรับรับอะไรไหมรับเป็นเจ้าภาพธุระใหญ่ขนาดนี้สบายว่า ง, งั้นน่นะแค่กเดิน29ก้านี่ก็ถึงแล้วพันธุมดีราชธานีเนี่ยนะ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 แล้วก็กลับบ้านไปกลับบ้านพรหมและกลับวิมานดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอารหันตตสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าพระนารวาพิปัสสีเนี่ยนะตกในเวลาเย็นพระองค์ก็ออกจากที่หลีเกเรนแล้วตรัสเรียกพิสูจนทั้งหลายมาให้ประชุมกันว่าดูความพิสูจนทั้งหลายวันนี้เราไปหลีเกเรนอยู่ในที่ลับนีนะอยู่ที่หลีเกเรนหมายคําว่าหลังจากออกอรหัน ต, ตผลสมาบัติแล้วก็มีความคิดราพึงขึ้นในใจว่า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 ยังมีอยู่แต่ว่าโดยล่วงไปหกปีหกปีผ่านไปทุกทุกหกปีพวกเธอจงกลับมายังพระนครพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงพระปาฏิโมกข์เพื่อแสดงปาฏิโมกข์เนี่ยนะทันใดนั้นแลเท้ามหาพรหมองหนึ่งได้ทราบความรำพึงในใจของเราด้วยใจแล้ว ก็หายตัวที่พรห ม, มโลกมาปรากฏเฉพาะหน้าเราเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนออกหรือว่าคูแขนเข้าฉะนั้นพิกษุทั้งหลายทีนั้นเท้ามหาพรหมพระองค์นั้นก็กระทำผภาอุตราสงเฉียงบาข้างหนึ่งประนมอัญชลีมาทางเราแล้วก็พูดกับเราว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นก็แปลว่าความที่พระองค์คิดเนี่ยถูกต้องใช่เลยอย่างนี้แหละประั้นบัดนี้ในพระนครพันธุมดีราชธานีมีภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากประมาณหกล้านแปดแสนรูปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายเถิดว่า น, นะราธนานะขอร้องนิมนต์เชื้อเชิญมางั้นแต่ว่า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 ก็จะ ก, กระทาโดยที่จะให้ภิกษุทั้งหลายกลับมายัางพระนครพันทุมดีราชธานีเพื่อแสดงพระปาติโมกโดยผ่านไปทุกๆ6ปีภิกษุทั้งหลายเท้ามหาพรหมนั้นพูดกับเราดังนี้ไหวเราแล้วก็กระทาประทักษิณหายกลับไปณนะที่นั้นเองก็พรหมในมาวัดเดียวเนี่ยน ะ, ะทั้งหมดนั้นก็ยังเป็นช่วงความความนึกคิดรำพึงบอกเล่าความในใจของ พระพุทธเจ้าทีนี้ต่อไปก็เป็นคําสั่งนนะประกาศออกมาเป็นพุทธโอวาทเป็นคําสั่งที่จะต้องปฏิบัติตามว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตคําว่าอนุญาตนี้แปลว่าต้องปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าอนุญาตเสร็จแล้วก็เฉยเนี่ยนะไม่ใช่เลยเขบอกเออแคบแค่เราพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสเรามีสิทธิทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ใช่แต่ว่าต้องปฏิบัติตามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า พระภิกษุที่เป็นพ่าอริยะเนี่ยนะบอกตรงพระพุทธเจ้าใช้ให้ไปตายก็ไปแต่พระองค์ไม่ทำอย่างนั้นอันนั้นความรักของของท่านเหล่านั้นน่ะที่มีต่อพระพุทธเจ้าโดยปกติแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเพียงแต่บอกเราอนุญาตเท่านั้นแหละก็แปลว่าโอ้โหต้องทำและต้องปฏิบัติแล้วนะคำแรกบอกอนุญาตคำที่สองบอกพวกเธอจงเที่ยวไปอันนี้กันคาสั่งคำสั่งว่าพวกเธอจงเที่ยวไป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 ไปเพื่ออนุเคราะห์ช่วยปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากทุกเธอเพราะฉะนั้นไปเพื่อประโยชน์คือพระนิพพานไปเพื่อเกื้อกูลคืออริยมรรคไปเพื่อความสุขคือสามัญญพลมีโสดาปติผลเป็นต้นแก่เทพพยายดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าอย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปเพียกสูทั้งหลาย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 อาทิกระยาหนังดีทั้งในเบื้องต้นดีทั้งในท่ามกลางดีทั้งในที่สุดคําว่างามเนีย่ยแปลว่าดีและใช้ได้ปฏิบัติได้อย่างจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่สขายฝันให้โดยที่ไม่มีใครทําได้เนี่ยนะไม่ใช่ขายเมืองอากาศเมื่งงั้นเสร็จแล้วก็ไม่มีใครเขาปฏิบัติการได้จริงไม่ใช่ไปทำเอ่อไปสอนไปบอกกล่าวในสิ่งที่เขาปฏิบัติได้ปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติทั้งดีทั้งเบื้องต้นดีทั้งท่ามกลางดีในที่สุด ไปประกาศพรหมจรรย์ทั้งาศาสนาพรหมจรรย์คือไตรสิกขาและอริยมรรคพรหมจรรย์อันประกอบไปด้วยองค์8ปพันจงแสดงธรรมะเนี่ยนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะอย่าพูดให้มีส่วนเหลือนะแต่งตั้งเปิดเผยให้เขาเข้าใจโดยง่ายเพราะว่าในโลกนี้สัตว์ที่มีกิเลสเพียงนังทุรีในดวงตาเบาบางยังมีอยู่เขาเหล่านั้นถ้าหากว่าไม่ได้ฟังธรรมก็จะเสื่อมเสียจากประโยชน์ไป เพราะผู้ที่พอจะรู้ทั่วถึงธรรมะได้ยังจะมีอยู่เขาบอกว่าโอ๊ยพระไตรปิฎกมันยากอย่างนั้นยากอย่างนี้เขามาบอกว่าเออมาเรียนด้วยได้เรียนได้คนเรียนพระไตรปิฎกปีละคนพอใจละนะว่าสิบปีก็ได้ตั้งสิบคนใช่ไหมปกติถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเออสิปีเราก็เหงาอยู่คนเดียวต่อไปอย่างนั้นก็ได้สิบคนต่อสิปีโอ้สบายแล้วเนนะจริงๆเขาก็คูณสิบนะมั น, น, นปีหนึ่งเรียนเพิ่มอีกสิบคนแล้วก็ดีใจละเรียนได้มากเรียนได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่เรียนอนะ หมายคือว่าทุกคนเนี่ยนะบอกว่ากินข้าวก็ตายไม่กินข้าวก็ตายเออได้กินก่อนตายก็ยังดีดีกว่าตายไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันเขาฟังทำเขาก็ตายไม่ฟังเ้าก็ตายถ้าเขาได้ฟังเผื่อโอกาสชาติต่อตอไปเพื่อได้บรรลุถ้าบรรลุได้ในชาตินี้ดีโอ้ยิ่งดีใหญ่เนี่ยนะเรามีอะไรจะได้เอาไปฝากวั า, านั้น mm. อา้าวเขาก็เป็นนาบุญนะีถ้าบรรลุแล้วก็เป็นนาบุญนะั้นสุปฏิพันโนชุปฏิพันโนทาไมบรรลุก็เป็นบุญเป็นวาสนาต่อไป ถ้าเรียนทั้งไม่บรรลุก็ไม่บรรลุวาสนาก็ยังไม่ได้ก็ก็ให้กรุณาให้ตัวเองมากๆเถอะเนี่ยนะมันก็ก็คงยังมีประโยชน์นะบอกเออก็ดีอ่ะมันปีหนึ่งเรียนเพิ่มคนหนึ่งแล้วก็ดีใจแล้วอถ้าเขาไม่เรียนเราต้องป่วยกับเขาไหมล่ะเน้นเกี่ยวกันเลยถ้าเขาไม่เรียนเรื่องอะไรเราจะเลิกเน่ยนะเน้นเกี่ยวกันเลยมันเราก็ต้องประโยชน์ของตนเราก็ต้องรักษาเอาไว้เขาเรียนเราก็เรียนเขาไม่เรียนเราก็เรียน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 กลับมาแสดงปาฏิโมกโดย6ปีผ่านไปทุกๆ6ปีเนี่ยนะจะได้มาประชุมกันแสดงปาฏิโมกเหมือนั้นดูความพิสูจน์ทั้งหลายพิสูุทั้งหลายก็เที่ยวไปใจจาริกในชนบทโดยวันเดียวเท่านั้นโดยมากโดยมากวันเดียวนี่ยแหละไปเกือบหมดเลยแต่ก็ยังเหลือเฉพาะพระพิสูจนที่เป็นบริวารของพระพุทธเจ้าที่เหลือจาริกหมดเลยจาริกทิงเป็นลานเนยนะกระจายไปพรับเดียวเนี่ยนะ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 เขบอกเร็วก็เร็วอยู่ในบ้านก็พอแล้วอย่างนั้นทำไมต้องกระจายไปเช้าโชไปทุ่บ้านทุ่มเมืองรอก น, นะเขาก็เลยทําให้เรื่องมันยากขึ้นนะเขาจะออกบันหนังสือสุดที่ให้พระไปต่างประเทศค่อนข้างยากแต่แกจะไปเผยแพร่ต่างประเทศนะแกต้องไปอบรมอย่างนั้นอยนั่นนะแต่ก็ก็ได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นอยู่แล้วด้วยสายตาเนี่ยนะพันก้อนแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสมัยก่อนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเนี่ยนะเป็นพระริยเจ้าผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นแล้วก็แสดงธรรมท่านเหล่านั้นเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ท่านเหล่านั้นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไปประกาศให้คนรู้จักพระธรรมไตรไม่ได้ไปโฆษณาตัวเองไม่ได้ไปเปิดลัฐที่ตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นน่นะ ก็ไปเพื่อสงเคราะห์เขาให้เขาเนี่ยมีดวงตาปัญญารู้จักคุณของพระพุทธเจ้ารู้จักคุณของพระธรรมรู้จักคุณของพระสงฆ์เนี่ยนะไม่ได้ไปก่อตั้งรัฐที่สร้างฆ่านิยมไปเปิดอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่นีนะอันสมัยนั้นเขาก็มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปเพื่ออนุเคราะห์ลูกเนี่ยนะนก็จาดิบไปโดยมาก